เข้าไปฝากป้าป้าหมอสงรงพยาบาลซีนัคริ่งคอนแกนคณะของเขานี่สิประกอบด้วยรถสูสามขั้นเป็นคู่บาอาจารย์นัง่งแค่สองขั้นรับตนปาป้าแล้วก็นันอีกรถสู่นึ่งนั่นเป็นไฟอุบาจิกาวัด ส่วนอุบาตกวัดนี่ก็มา่อคนนี่ละน้ำน้ำไฟครูบาอาจารย์รถออกเวลาประมาณกักเต่าโมงครึง่งเพราะฉะนั้นมือเอื้องไหเตียมโตกอนั่นแหละรีบกินเขาเรารีบแล้วเมื่อึ้นรถเวลาที่เขาถ อ, อดฝาปา น, นบาบโมงครึง่ง แต่ละขนาดของเห้าไปให้มันหอดจากส่วนมันจากเคียงเพิงละเอียดไปสอบถามพรวจขับรถแล้วเภาว่าในหอไปแบบเบาเฝ่ า, บ า, าเบาฟังหนึ่งออกจากเก่าม่งเกลิงจ้าราะว่าไปหอดจากเย็นนั่งขับนั่งเก้าในจังน่อยที่ อ, อีอหัวสงเนี่ย แต่โตมันอยู่วางไกลๆกัแนแผนทุกสเส้นเขานี่แหละ อ, อยู่ขั้นนี่แต่แบบ น, นี้มันแคบแล้วซึ่มือนี่บริการพระเจ้าพระสงฆ์ก็ะไดบุคอยเต็มที่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีซึกไม้แล้วซึกไม่นี่สูงสิบเก้าสั้นตาผู้บ่าอาจารย์ไฟเห่าก็มีท่านอาจารย์ดินท่านอาจารย์ดินถวายวัดน้าคําน้อย เป็นกาเป็นเป็นประท่านในคณะสงฆ์ที่เอาเรื่องนี่เอาธุระเรื่องอา่าหมอสงฆ์นี่ก็เจลจารบลงกันไปมากเขาให้สันหนึ่งสั่นที่ 10, สิบมื่ั่นแต่ว่าเขาบ่กมีง่งบประมาณสำหรับรับสงฆ์ห่องอักต่างๆเมื่อสัน่นน่ะเขาก็จะขอให้ <c oughs> ขอให้คณะสงฆ์เนี่ย เป็นธุระจัดการระดมทุนมาสร้อยกันตั้งงบไว้วันเขาจะมีไฮดอกส่วนหนึ่งผ่านบหลายมันเขามีงบประมาณจำกัดก็เลยทลั้งคณะสงฆ์ตะลยที่เห็นแล้วหน้าว่าเฮาแบบบอกบุญญาติโยมนี่แล้วจะบอกไปย่อมหยุดผู้บาอาจารย์ต่างๆน้ำวัดต่างๆแล้วก็บอกบุญญาติ บ, บุญโยมเนี่ยจะโหมกันเป็นของป้าป้าแล้วก็ไปพอดโหมกัน ไปทอดคุณโลดทอดข อ, อสงคุณโลดขอสงไม่คุนซึ่งนี่เป็นขั้งที่นึ่งกะดีมอกี่ทอดกะดีทอดอยึดยึดไม่ละขั้นสามเป็นห้องประชุมชั้นสามมากันขาวาวแต่ของเขายูสันคิอันขอสงคือยูันคิป่ว่าคือสิบพท่านแล้วเขากาลังขับกลุมอยู่กาลัง เ, เดเยเห็ดงานอยู่้าอยู่ข้อยู่ไปทอดูอ่ขั้นสาม อาข่านไม่ อ, อาข่านหลังนี้เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระีรนคริ น, นราบรมราชชุ น, นีสมเด็จยาอนุสรณ์เพลินพิชญันกาขอทรงนีได้ประโยชน์หลายคือจังห้องเฮ็ดร่งพยาบาลพระนี่หลักพระนี่บอมี่ส่วนโดยเฉพาะในร่งพยาบาลเนี้ยเขาไปหันเจ้ากระ้องรักษาแบบไข่ แบบนี่ยแบบยุ่มธรรมดาหนิละ่ะเพราะฉะนั้นพระก็บรรลุมาพระก็บรค่อยสะดวกเป็นไหนอันไปแล้วเขากะบ่มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะบ่มีเจ้าหน้าที่สายกู้ชีา ย, ยังสี่ห้าล้านเท่าเขาก็เอาไม่ออกเป็นพญ า, านาลมาจับมาบายพระสายพระประสิทธิ์นั่งอยู่ดีนั่งว่าบทถูกต้อง วัถูกวัต้องบัดสัมผัสกายก็มันไม่ออกอ น, นี่มันไปหันแล้วเลยจําเป็นจําย่อมต้องได้คือเพราะฉะ น, นัน้นภาคส่วนหลายที่เดียวแหละเพิ่งประหยัดไปแล้วนอกจากเศกิดท่ามีหน่ายเพิน่นอาลองคงกัย่อมตายอยู่ในป่าคนนะ่ะบ่ไปหลักเหนว่าจะล่มไม่เหยียบานเ้าพืชย่ายนพดทธไวยรดเรื่งว่าผู้บ่าจาันก็ บ, บค่อยบอกเรื่องเพ็รเรื่องไข่ขยันย่อมดอก างานเรื่องผมต้องเสดดึงไปโรงพยาบาลนะที่นี่ยูนีเนี่ยเขาเป็นซึกงเขาเป็นซึกทสงแล้วมันก็คณะหมอคณะพยาบาลเขาก็เขาขอใจการปฏิบัติตามอให้ปฏิบัติกรบพระหรืรรให้มันถือกรรมทำกรรมวินัยละมัดละว่างใจกันเขาก็ค่อนข้างที่ระมัดร ะ, ะว่างอยู่แล้วก็ยิ่งเพ่มรละเอียดล้วออยู่ในสมัยนี้มากแล้ว กูบาอาจารย์เขามีลละละหลวงปู่หลายๆองค์กับไปป่วยหันกับสบายใจคิดว่าเออเขามีโรงพยาบาลมีสถานที่รักษาที่ปัวปัวพญาติที่เป็นขัดเป็นชวนแบบนี้ก็รู้สึกเป็นค่วมสะดวกแล้วบันณฑิตกะยินดีติดไปยุ้ยโรงพยาบาลโดยเฉพาะนี่แหละอันพอสงสีนครินเขาเนี่แหละาากูบาอาจารย์เพิ่ะสบายใจกูได้กูได้ป่วยกับไปหันอยู่ได้ละ่ะ แต่หลวงปู่หลายๆองค์ก็ไปพักอยู <S <S <S <S Picasso, ir, imasu, ่หันเต็นเดือนเป็นปีมรณะภาพข้ากับนี่เด็หลวงปู่หล่าหลวงปู่เขียนหลวงปู่หลายๆองค์อยู่นะเพราะฉะนั้นพอทรงนี่กันับว่าเป็นแรงช่ำรับญาติโยมโดยข้าหมุนได้ปัวข้าไข่รักกาพิษสุไข่พิษุป่วยในสมัยพุทธกาลนี่พิษสุขป่วยก็พุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเด้กเพราะว่าป่วยก็มาแล้วเพื่อจง พระในบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อจะอันบ่มีคอบ่มีเมยบ่มีพีบ่มีน่องเนี่ยจะต้องดูแล ก, กันตามประสานาี่ยกันเทามีโอกาสไปไปจอยรักษาพยาบาลเพิ่นกระดยวิธีอย่างีิละให้ช่วยสะดวกแก่เพิ่นจัดของกัดฮับจัดพียงังสิละตัดธมบัติต่งางๆของ่อแม่เลยไม่จากใส่ดอกก็ไดไม่จากงานยุ่งทั้งหลา ย, ยานาั่นแะอันนี้ขันพูดได้เลยถ้าบุญอันนี้พี่ใ้บุญหลายดอกตรงตรง พัวเขาพูดเจ้ากับสารเสือญยุพยาบาลพิษสุไทรเนี่ยแล้วก็เท่าที่แล้วมากก็ได้ประโยชน์หลายแล้วอ่าเพราะฉะนั้นการทอดพระป่าเื่อนี้เนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญใหญ่เนี่บอกเราให้ฟังนี่คือกันพุทธิเหตุเหตุนั่นถังพุทธิเวทจะเลียแฟนดอกกบว่าดอกให้ใจเป็นบุญน้อมไปให้คิดเห็นว่ากิเข้าท้ำบุญอันนี้แหละโอ้เด้รักษาบ่เม็นองคเดียวเนี มาจะพูดได้เข้าไปสันในรักษาพยายบาลเราเข้าใจบุญรําโทดของสันเด้ในเด็กบปานของสันแล้วก็ในคณะนี่กันคณะพยาบาลคณะยุโรปพยาบาลคณะหมอคณะแพทย์คณะพยาบาลเจ้ามาทีคนกำลัลงไขข้อมอ่าสะดวกคนกับนี่นโยบายในการปีอ่าในการปี่อุ้มชู้นพอสงนี่เป็นพิเศษที่ ว่านี่หมอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนก็เคยมาเป็นหลูกติดหลูกหาตั้งไฟเห่าตั้งกาอาจารย์อินนั่นะคือเอาเป็นผู้รักในการวิ่งเต้นในการเรื่องนี้จะได้เป็นโอกาสดีจังหวะดีตั้งคนจะอาแขนสอนรับตั้งเห่ากับปัญายามไปสร้อยเรืออยู่สีก็เป็นโอกาสดีหลาย อเลยว่ามันเป็นโอกา ส, สเหมาะได้ท่านครูไดยาเกตบุญนัประเทศหยุเกตุอีกข่้จ้ะง่นสีส่องใส่าตางสำหรับเกุังหอสงฆ์กันหลายอยู่ซึ่งปั้บุงเป็นหอแล้วเป็นใล้ๆก็เป็นโรงพยาบาลโรคนึ่นละที่มีสำรับพระรับสงฆัวไปแล้วเนีว่าภาคอีสานใจพ้นจริงคัวไปมั้ยต้องอธิษฐานคุ้ยขอมื่นหันเธอใ้รับการ รักษาดูแล ร, รักษาแบบถือซองสามถ้ำรินในดีสลักพุ่น ล, นลองพิจารณาวหน้าพุ่นได้ลอยวันพั่นปีเกิดมาสาบหนึง่งบองประเทตของเขาดอกกัญเพชนว่านี่ใส่ใจเพ็ดใส่บุญมือเอื้อนนี่ก้าม้วนเคิงด้กตาวม้วนเคืงคิงที่เสเลื่อนรถไปเตรียมตัวคูเตรียมตัวคู่จักแล้วเตรียมตัวไว้สลัก